โลกมีแต่กรรมแต่ถ้าอยู่ในธรรมนี่ก็มีแต่บุญบรารมีใช่ไหมเราก็บ่งบอกเหตุผลไปแล้วต่นี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวของเราเองที่จะต้องไปพูดตัดสินใจว่าเราจะไปเดินหากรรมกันต่อไปหรือว่าจะไปเดินหาบุญบรารมีกันต่อไปแต่ก็เชื่อแน่ว่าทุกคนมีสติมีสัมปทันยะ อันที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนเองเท่า น, นั้นแหละทุกก็ไม่มีใครจะมาทุกด้วยสุขก็ไม่มีใครจะมาสุขด้วยมาเรื่องทุกข์ใจมาเรื่องสุขใจมาเจริญของคนอื่นที่เขามีสุขวววเวลราไปสุขกับเขาหรือเขามีทุกข์เราก็ไปทุกข์กับเขามันเป็นเรื่องอท้อตนหรือเรียกว่าปัจจตงังยรู้จะคอยจิต ไอ้คำว่ากรรมเนี่ยมันก็เป็นภาษาพูดมันอาจจะไม่แผลงฤทธิ์อะไรนักหนาในอันที่จะสอนให้เรารู้จักทุกข์จากสุขแต่ว่าบทของมันแล้วที่มันจะไปทําให้เราไปได้รับแต่มันสาหัสสากันอเาเรียกว่ากรรมเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปเป็นตุนนักก็ตัวนึงเนี่ยเราไปคิดดูด้ว่าไอ้ความเป็นไปของชีวิตสุนักมันเป็นยังไงมันเผ็ดร้อนขนาดไหนมันทลามานขนาดไหนทุรนทุรายขนาดไหนเห็นไหมนั่นชีวิตของกรรมอ้าวเอามาดูมนุษย์ก็ได้ดูชีวิตมนุษย์ผู้มีกรรมเข่นเป็นมนุษย์น่อยเปียกเสียขา ที่ถูดกุดถางขี่โลกขี่ภัยปติท่งมนุษย์อะไรวิกลจิิตบ้าใบาดูชีวิตมนุษย์ที่นั่นเป็นยังไงเนี่ยกรรมนะั่นจึงแปลว่าไอ้ที่เราพูดกันสอนกันด้วยแนะนำกันเนี่ยก็เพื่อจะให้คี่คลายชีวิตตัวเองไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่ขี่คลายให้ได้เหมือนอย่างพุทธองค์อนะ ท่านเป็นผู้ที่ขี่คายชีพิ่มท่านเนี่ยถึงที่สุดของความทุกข์แล้วรู้แนวแล้วรู้กฎความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรเรื่องของกรรมเรื่องของธรรมเป็นยังไงท่านได้ขี่ขายถึงที่สุดแล้วจึงเรียกว่าทรรมโลกุตละคือมีทรรมเพื่อการชี้แจงสั่งสอนเรื่องราวของโลก ก็ไม่ใช่ว่าผู้อื่นนะั่นจะมาคลี้คลายให้ท่านหรืจะมาแนะนําสั่งสอนหรือกำตำพีตําราเล่มไหนแต่อาศัยจิตอาศัยใจตั้งซึ่งที่คลายชีวิตจนถึงที่สุดและท่านก็แนะนําสั่งสอนให้เรานะรู้จักขี้คลายกันเองทีนี้เราไม่ขี้คลายแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมาขี้คลายกันล่ะจี่เขเรียกว่าถอดปลอกถอดชีวิตถอดอดีตอดสงไข่ เพื่อให้รู้จักกฎเกณฑ์ของทีวิติแท้จริงเราเวลานี้มันก็อยู่ในกฎของอะไรกฎของโลกถึงเขาเรียกว่ามีอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ใช่ว่ามีทาเป็นใหญ่ที่เรามาทำกันทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะสเปรก์จิตของตนเองหรือว่าขยับจิตของตนเองให้มันเหนืออารมณ์ อันนี้ถ้าเราไม่ไม่ยกจิตของตอนเองเหนืออารมณ์มันก็คงจะตกเป็นทาตของอารมณ์หรือเขาเรียกว่าถืออารมณ์เป็นใหญ่ชีวิตมันจึงเดินไปตามลักษณะของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจของตอนเองที่ใช้อารมณ์เหล่านั้นเรามันก็ยังไม่พ้นใหญ่คําว่ายักษ์พโนยักษิพนีอยู่นั่นแหละ คือตกเป็นธาตุของของยักษ์มารต่างๆคือเขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ตัวนี้แหละที่พระพุทธองค์ต้งเรียกว่ายักษ์โนยักคณีคือมันเป็นอารมณ์ที่ทําร้ายชีวิตจิตใจของเราทําให้เกิดเป็นความเศร้าหมองอเขาเรียกว่าเสียใจครับแค้นใจตังวลใจเป็นทุกข์ใจหงุดหงิดใจแต่ละพัฒน์ที่มันจะเกิดขึ้น อันนี้มาเราไม่สามารถจะผ่านพ้นจากอารมณ์ตัวนี้ไปได้เราก็ตงคงต้องเป็นธาตสีธาตสาก็เรียกว่าหญิงชายเหล่านั้นตกเป็นธาตุของอารมณ์นี่เนี่ยอายการถืออารมณ์เป็นใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอดีตของชีวิตเรามันก็มากันด้วยเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่มากันด้วยเรื่องอื่นเขาเรียกว่าโลกโลกเกิดก่อนทำรรมาที่หลังซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ใช่ว่าทำเกิดก่อนโลกมาที่หลังอย่างอย่างแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงทรงมาก่อนคือโลกมาก่อนทรมาที่หลังทมก็คือการให้สติให้สติให้เรามีการระลึกถึงเมื่อระลึกได้เข้าใจได้ก็มีการยับยั้งยับยั้งทางใจชีวิตของตนเอง ว่าเราจะนำชีวิตของเราไปสู่สถานที่ใดดีที่มันเหมาะสมกับจิตของเราที่ว่าเป็นผู้รู้จิตของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ที่ขเขาสอนให้เราทุกวันนี้ก็ก็ไม่ให้แล้วเรารู้อะไรมากถึงขนาดเป็นพระอริยเจ้าอะไรแล้วเพียงแต่อยากให้รู้จับกฎเกณฑ์ของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเหมือนอย่างที่ ทำโลกุตตระเขาบอกว่าใครหนอเที่ยวเข็นให้เราสร้างเวรอยู่เนืองเนือง อ, อยากจะรู้ก่อยากจะรู้ก็หมั่นดูเอาใครจะเป็นคนเที่ยวเข็นให้เราสร้างเวรสร้างกรรมทำมาใช่ตัวอารมณ์เราต้องค้องกรรมกับคนนั้นค้องกรรมกับคนนี้ต้องโก ด, ดคนนั้นต้องรักคนนี้ต้องชังคนโน้นต้องเกลียดคนนี้ พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากเลยอยากเป็นนั่นเป็นนี่เียกเขาเรียกว่าการมาตัณหาถือความพอใจความรักใครในอารมณ์เป็นหลักมันก็เลยไปตามเรื่องตำราวของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้น บางทีเราก็อาจจะชิงชังอารมณ์ไม่อยากจะใช้อารมณ์ไม่อยากจะเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่นิ่งๆแต่เราก็ไม่รู้จักอารมณ์อีกว่าอะไรมันทำให้เราไม่อยากจะไปตามอารมณ์ไม่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากจะทำนั่นทงนี่แต่แค่จะเบื่อๆอ ย, ยอย่างนี้แหละออย่างนี้เขาก็เรียกว่าภาวะตัญหาอีกคือยังเป็นตัวปัญาปั uh, ป uh, ห, หาัหาก็คือปแปลว่ายังไม่รู้เรื่องอารมณ์ เบื่อก็จริงแต่ยังไม่รู้จักอารมณ์มันก็ยังเป็นเเป็นมันก็จะเป็ น, ป น, น, ปนอวิชชาคือยังรู้ไม่ทันถึงอถึงความเบื่อหน่ายอารมณ์เหล่านั้นมันอาจจะเบื่อหน่ายเพราะว่าควรใจกันเกินมากเกินอ่าควรใจเกินไปเหมือนกับใครมาแย่แล้วมากๆเนี่ยเราก็จะเบื่อ คือใครมาปวนใจเราบ่อยๆบ่อยๆก็ทักจะเบื่อหรือมีความทุกข์มากๆก็ทักจะเบื่ออย่างเช่เราเบื่อกันอย่างนี้หรือก็เบื่อครอบครัวเบื่อสามีเบื่อพันยาเบื่อบุตรธิดาเบื่อนี่เบื่อสินเบื่อนั่นเบื่อนี่เบื่อกินเบื่อนอนอะไรอย่างเนี้ยเบื่อโดยไม่รู้เรื่องรู้หลักอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าวิชาอหะเขาก็ไม่จัดว่าเป็นผู้มีปัญญามีความเบื่อเหล่านั้น แตนี้ทํานี้เขจะเจาะจงให้เราไปรู้จักไอตัวเบื่อหรือไม่เบื่อก็คือตัวอารมณ์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตนต่อหอหีบจับอารมณ์มาให้ถูกจับอารมณ์มาให้ได้แล้วมันจะบ่งบอกออกว่าเองไันนี่แหละเป็นตัวทําให้แกเบื่อหรือฉันนี่แหละที่ทําให้แกต้องเป็นไปตามกรรมแกต้องต ก, กนรกเกิดเป็นกบเป็นขี้หมูเป็นหมูเป็นหมาเป็นตาเป็นไก่ เป็นฆ่าเป็นทาเข้ามาทุกชาติทุกช า, ก า, กาติเนี่ยเฉพาะฆ่านี่แหละทีนี้มาเรารู้จักตัวจริงของเขามันก็อาจจะทําให้เรานี่เบาบางหรือยับยัง้งคือขอให้มารู้จักจริงๆแทนะ้เขาก็แบ่งขั้นตอนให้ฟังไว้แล้วว่ากายหนึ่งอารมณ์หนึ่งจิตหนึ่งมตัวใหญ่ๆนะกายอารมณ์จิตมีตัวใหญ่ แต่นี้กายนี่เขาเรียกว่ากลางเป็นกลางไม่เข้าครออกไขนี่เขาเรียกว่ากายจะใช้กายไปในด้านอะไรเขาก็ยินดีที่จ ะ, ะยินดีที่จะทําให้ใครจะเป็นคนที่จะต่างให้ตายเราผู้เป็นกายนี้ทําขึ้นก็คือจิตแต่นี้ผู้ที่จะเป็นใหญ่กดทับในกระแสจิตก็คือตัวอารมณ์ จิตเขาเรียกว่าอัตตาหรือถือตัวถือตนนี่แหละมันก็จะบังคับทำเป็นท่าทอดไปอารมณ์บังคับจิตจิตบังคับกายกับาจามันก็เลยกดอาตตาไปกดของกรรมขึ้นมาจีกกรรมมโนกรรมหรือกายยกรรมก็เกิดขึ้นกรรมที่เราทํำในสะสมเข้าไว้มากเข้าไว้หรือมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็กลายเป็นตัวเป็นตน หมือ น, นย่างกาาไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่เงี้ยฆ่าตัวเดียวมันก็ไม่สามารถจะมาปรุงแต่งมนุษย์ได้หรอกแต่ถ้ามันฆ่าหลายๆตัวคร้าเนี่ยเป็นร้อยตัวพันตัวขึ้นชีวิตไก่มันก็เกิดขึ้นในการที่จะสามารถปรุงแต่งชีวิตแล้วนี่ให้ล้มละลายแห่งความเป็นมนุษย์ลายไชีวิตเป็นไก่หรืออาจจะซัดเทพเนจรไปเป็นหมูเป็นหมา เป็นจริงจบจริงคื้อใต้เดือ น, นอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นอาจจะไปเกิดอยู่ในมูดในครูดหน่งที่เรียกว่าในห้องส้วมหรือในโถส้วมในถังส้วมก็แล้วแต่บุพกรรมที่จะนำไปเกิดเพราะว่าพระองค์กระซงบอกถึงเนื่องราวของการเกิดไว้ถึงสี่ประการเกิดในคลันสัตว์บางชนิดเกิดในคลัน มนุษย์ก็เกิดในครรภ์สัตวบางชนิดมันก็เกิดในครรภ์เกิดในไข่อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่หรือไข่นกเกิดในอ่าเกิดในมูดคือเกิดในสิ่งที่อ่าสกรปรกสิ่งกองขยะอย่างนี้ถังขยะกองขยะหรือที่ไหนที่สกรปรกมีน้ํามีหนองมีอะไรที่เป็นสกรปรกอยู่นะ่ะ แต่ชีวิตก็เกิดได้คือกรรมก็สามารถให้ไปเกิดได้หรือในคู่อย่างเงี้ยือในส้วมอย่างเงี้ยเราก็เคยเห็นเราเคยเห็นเห็นเห็นเืนวันเห็นหนอนมันเกิดในในหมันเน่าไหมละ่พะพอหมามันตายขึ้นมาไม่กี่วันมันเน่าขึ้นมาก็มีแหละมีหนอนออกมา ต็ตัวเลยมาจากไหนเนี่ยชีวิตจิตวิญญาณของคนเราก็ส่องสีพเนจรไปหาเกิดกันตามฐานะแล้วแต่บาปแต่กรรมแล้วแต่บุญแต่แล้วแต่แต่บุญแต่กรรมนะที่จะปรุงแต่งนาการเกิดของคนเราตนี้เมื่อเราจะไปเกิดเป็นนอนเเป็นตีอึใจเดือนนี้ จะไปเป็นอะไรสัตว์เลี้ยงสัตว์ครานสัตว์เดินสัสตว์สี่ตีนสองเท้าหรือไม่มีตีนมีเท้าอะไรก็แล้วแต่คือเราก็ต้องยอมยอมไปผุดไปเกิดเพราะเราได้ชื่อว่าเป็นทาตของกรรมแล้วคำว่าธาตก็คือหนีไม่ได้นะเขาเขาเป็นเจ้านายเราอยู่เป็นผู้บังคับเราอยู่ ตอนี้เราจะเราก็จะมาเห็นไใ้ตัวที่บังคับเลยว่าใครเป็นคนบังคับเราให้ไปเกิดเขาก็จะถามหาอดีตเลยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่นะใช้อะไรใช้อารมณ์นั่นแหละไ อ, ต อ, ตอ้ตัวอารมณ์ตัวอารมณ์ตัวอารมณ์ที่มันทําให้เกิดกรรมนั่นแหละมันพาเราไปเกิดเพราะเราได้ตกเป็นทาสของอารมณ์แล้วเห็น ไ, ไหมล่ะตกเป็นทาสของกรรมไปแล้ว อีก็ เ, เรียกว่าจิตใจอ่อนไม่เคยที่จะนำจิตให้มันสูงขึ้นหรือมีการที่จะทำจิตให้มันหอยห่างขึ้นมันก็เลยต้องไปตามกฎนี่แหละธาดุแหละธาสีถาตสาผู้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นรู้ตัวองจึงทรงกัดธรรมะไว้ข้อหนึ่งว่าก <c oughs> ามุนาวัตติโลโกโ สัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะว่าสัตว์โรคเหล่านั้นไม่เคยฝืนกรรมเลยผู้ที่ไม่ฝืนกรรมก็คือผู้ที่ไม่รู้จักกรรมคนที่จะก้างกรรมเนี่ยมันก็มีหลายเหตุหนึ่งเตจตทัศนะไม่รู้จักกรรมสองรู้จักแต่ทนไม่ไหว เช่นอย่างเ้าอย่างเนี้ยเป็นคนรู้จักอจากตัวโกรธหรือตัวโลภตัวหลงอะไรดีองเงี้ยแต่มาถามมาทุ่ที่ทุที่บ่อยๆทนไม่ไหวถึงเขาเรียกว่าอะไรขันติแตกตบแตกอะไรประเภทหนึ่งยั่วบ่อยๆโก้นบ่อยๆถ้ากระทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวมันก็ต้องเป็นไปเนี่ยการสร้างกรรมก็คือจากผู้ไม่รู้หรือรู้แล้วทนไม่ได้ อีกประการหนึ่งก็คือถูกบังคับทั้งที่ตนเองไม่อยากทำรู้แล้วว่ามันเป็นกรรมไม่อยากทำแต่ว่ามีเหตุบางเหตุบางอย่างบางชนิดที่ต้องทำให้ทำาปเรียกว่าถูกบังคับให้ให้ทำกรรมชีวิตขหงาเนี่มาก็คงจะมาคงจะได้พบกับเหตุสามเหตุเนี่ย ส่างกรรมโดยไม่รู้ถูกย้ว ย, ยุให้สร้างกรรมหรือถูกบังคับให้สร้างกรรมในชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันยังไม่แข็งพอยังไม่มียังไม่มีต บ, บะเดชะอำนาจของคุณธรรมในจิตพอยกตัวอย่างอย่างเช่นองค์พระเวสสันดรให้กัญหาชายรีแกชุชก ให้ด้วยความหวังเพื่พบอาหวังพระโพธิญาณกับยินดีที่จะให้ทานทุกอาิตนี่เมื่อบุคคลนั้นมาขอในวาใครทั้งหลายแหละอันนี้พระอินทร์ก็โดนบัน ด, ดาลให้ชุชกชกไปขอกันหายทาลีเลยพระเวสสนาก็าให้ให้กันหายทาลีหลั่งน้ำไปเลย ต่อไปนี้นี่ลูกของเรานี่เลยคือว่าเป็นเป็นสมบัติของท่านแล้วเราให้ท่านแล้วท่านจะเอาไปทําอะไรก็ไปเถอะเอาไปอยู่ได้ฐานะเอเป็นผู้รับใช้เป็นทาสเป็นอะไรจะไปใช้อะไรก็แล้วตแต่ท่านเอะเราให้ท่านแล้วแต่นี้ทู ช, ชกันได้ทีได้ท่าว่ า, าได้สมบัติอันนี้มาแล้วก็ทุบตีใหญ่ทุบตีเป็น นนนจนพระแม่หลันโดนจะจะทนไม่ไหววิ่งเข้าไปในห้องไปฟ้าก็ขันออกมาจะไปฆ่าชูชกในฐานได้ไปทำร้ายลูกเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเจะเห็นว่าเราจะด่าการย่ยยุกเนี่ยแม้นขนาดจิตของท่านนี่เรียกว่าท่ า, ทานติดท้ายนะยังจะไปถือพระขันจะมาเล่นชูชกอีกเราคิดดูนี่คือเหตุที่เกิด ก, การยุ่ยยุคือตั้งไว้แล้วว่าเราจะไม่โจรธไม่เคลื่อใค ร, ไ ม, ใครไม่ทําร้ายใครไม่คิดอะไรทั้งหมดะ เราจะทําอะไรก็ทําด้วยความเมตตาเพราะว่าเราหวังสิ่งนั้นคือหวังพระโพธิญาณหวังความหุดพน้นแต่ถ้าถูกยัวยุบ้างมากก็ไม่สันติ <c oughs> ยังควา้าพระขันเลยคิดเด็ๆแล้วอย่างลเราไม่คว้าปืนฟาหอกหฟาด่าไปซัด ก, ก็เลยไม่ต้องไปแค่ทุบตีลูกรับเพลงแต่ไปหยิบหรือไปตบหัวลูกสักทีเท่านั้นแหละเราก็ไม่ต้องฟังแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบัเหลงมึงแตก นี่คือลักษณะของการด้อยยุกและก็ลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ า, าการยกติจเหนืออารมณ์เนี่ยมันต้องใช้บา ร, รมีชั้นสูงคือใช้ตาบากักคือการบําเพ็ญขันติอดทนในชั้นสูงตาบักตรงนี้ก็แปลว่าขันติอดทนนะคือบําเพ็ญให้มันได้ขนาดที่เขาเรียกว่าบำเพ็ญศีลบําเพ็ญิีลก็คือบําเพ็ญการสังวรเรื่องอลอาอ่าเรื่องอา่าเรื่องราวของอารมณ์เนี่ยให้มาก นี่ข้อหนึ่งบำเพ็ญขันติคือบำเพ็ญความอดทนให้มากให้มากที่จะมากได้สิบครั้งนี่เราแพ้แค่สองครั้งหรือครั้งหนึ่งก็ยังดีดีกว่าแพ้ ถ, ถึงสิบครั้งหรือหรือแปดครั้งอะไรเงี้ยคือต้องบำเพ็ญกันให้มากเรื่องศีลเรื่องขันติ เรื่องปัญญาที่การปล่อยวางเนี่ยคือเราต้องจับอารมณ์กับจิตให้ได้แล้วก็นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งต้องให้ได้เป็นศูนย์ตัวนี้หมายความว่าลบไปแล้วนะเหตุเกิดแต่ละคทั้งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์ที่หมายความว่าลดและปล่อยวางได้ปล่อยวางตรงไหนอย่างเรานี่ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยวางหมดเลยหรอกเอาปล่อยวางเพียงตา ก, กับวาจาเท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปปล่อยจิตล้วพระจิตของเราไม่ใช่พระอริยเจ้าไม่ใช่แสงอาทิตย์ไม่ใช่วันในจิตนั้นไะม่มีลูกมีนามอะไรไปปรากฏเอาเพียงว่าขันติอดทนกับกายวาจาให้ได้เขาก็จัดว่าเรากาลังบำเพ็ญบำเพ็ญขันติบามีบาเพ็ญด้วยสติด้วยปัญญารู้จักอารมณ์อย่างนี้แหละมันก็จะเกิดเป็นการสูญซ้อนจิต ถึงเขาเรียกว่ามีธรรมจะทติดอยู่ในจิตของตนเขาเรียกว่าศูนย์ตอนจิตอันี้ถ้าเอาศูนย์กับหนึ่งมาบวกก็มเป็นติดเลยเรากําลัางเดินทางบําเพ็ญศีล <c oughs> ภาวนาอยู่ในเยี่งยงอย่างทัสสะบา ร, รมีพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับว่าจิตศูนย์หมายถึงธรรมหนึ่งหมายถึงโลกหนึ่งโล ก, ห น, โลกหนึ่งธรรม หนึ่งโลกหนึ่งธรรมหนึ่งจิตเนี่ยเราต้องบวกกันเราต้องเราต้องจับหลักให้ดีๆการปฏิบททัติธรรมเนี่ยเาปฏิบัติเพื่อหาหลักนะแต่ถ้าปฏิบททัติธรรมไม่มีหลักเนี่ยมันจะกลายเป็นคนลอยตัวคือทามาตั้งนานหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วยังไม่มีหลักอะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าเดินจงกรมเป็นนั่งสมาธิเป็นแค่นั้นเองแหะ หรือว่ารู้อย่างเดียวว่านั่งหลับเป็นอมไรนีนะใช่ไม่ได้เลยมันต้องรู้นะว่าปฏิบัติธรรมต้องต้องมีหลักอะไรบ้างมันต้องตั้งหลักชีวิตขึ้นมาหนึ่งล้วจะต้องให้รู้จักจิตสองให้รู้จักอารมณ์คือโลกสามให้รู้จักธรรมคือข้อเตือนใจเนี่ยสามหลักอันนี้ต้องพยายามกำหนดให้มันแน่นอน เพราะเรากำลังกำลังจะมาบำเพ็ญเพื่อเสริมตัวหนึ่งแล้วก็ลดตัวหนึ่งคือเสริมธรรมแล้วก็ลดกรรมเนี่ยให้มันมีหลักอย่างนีน้ไม่ใช่มาเอาแค่เดินแค่นั่งนะไอเดินนั่งเนี่ยมันไม่ช้าหรอกเดี๋ยวก็ได้หลักเลยหนึ่งนาทีสองนาทีก็เป็นแล้วแค่เดินแค่นั่งแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันต้องมีหลัก นี่หลักชีวิตว่าเออเราจะต้องทำอย่างไงไปอย่างไงแล้วเราจะจะยืนหยัดอยู่ในหลักของเราอย่างไงคือให้มันได้มันมาได้โค้งได้ค้าวในเรื่องได้ลาวที่เขาเรียกว่าจิตสุรางคนางคือมีเยี่งอย่างพระพุทธองค์ท mm ํา hmm. ไม่ใช่ว่ามาเดินกันแบบหรือมาปฏิบัติธรรมแบบว่าลอยๆตัวหูฟังจริงแต่ไม่คิดมีจิต เมือนไม่มีปัญญาเห็นไหพูดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องแต่เ้าเรียกว่าฝนตกเท่าไรเท่าไรก็ไม่แตกใบทักทีน้ำนี่หลาไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่เคยชุ่มเลยเ้าเรียกว่าดินไม่รับน้าจิตไม่รับธรรมแมมันก็เป็นเรื่องลาบากนีส่ถ้าจะถาม คนที่ไม่ไม่มีหลักหรือไม่มีปัญญาเนี่ยจะมีนิสยัยว่ามีมีนิสัยกายไปอีกไกลคือสมมติว่าเขาไปถึงจุดกันแล้วเราก็อาจจะอยู่อีกทั้พันชาติพันชาติหรือหมื่นชาติอะไรเงี้ยถึงจะถึงนะครับต้องไปแวะโนโนแวะนี่ใช้เวรใช้กรรมเขาอยู่อย่างนั้นแหละขยันกายแต่ไม่ขยันจิตเนี่ยกายมีหลักแต่จิตไม่มีหลัก มันก็เลยอะไรดึงกันไวนะ้่ะกายมันก็ดึงจิตกายรู้แต่จิตไม่รู้กายรู้ว่าโอ้โดยตรงกลมอย่างนี้นั่งธรรมที่อย่างนี้อะไรส่วนมนต์อย่างนี้เนะี่ยวิถฐานจิตอ่ะทํายังไงจิตเนียบเลยอย่าเงี่ยจบเลยแต่นี้กายมันก็ดึงจิตจิตมันก็หนักเพรา ะ, ะดึงกายไม่ไหวกายก็สร้างแต่กรรมแต่กรรมวิจารกรรมกายกรรมอยู่นั่นแหละะ แต่เนี่ไอ้จิตก็พยายามที่จะดึงกายออกไปดึงขึ้นไปมันก็ไม่ไหวเพราะมันหนักจังท่วงไว้มากสะสมไว้เยอะผลที่สุดก็เลยน้ําหนักของกายมันมากกจิตมันก็เลยเดึงจิตรวดไปอยู่ที่เดิมอีกเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้มันพอดีๆคือทําะไรให้มันพอดีๆถึงหน้าที่กายทําจิตก็สอนสอนดูแลกายถึงหน้าที่จิตทําจิตก็สนับสนุนจิต คือกายสนับสนุนจิตมันก็อยู่ในลักษณะอาการปกครองระหว่างระหว่างกายกับจิตคืนอย่ามาทําเป็นโอ่งรั่วหรือตุ่มรั่วมาสังวรเพียงเพียงสามชั่วโมงหรือสามสิบนาทีจะไปทรานกรรมใช้แค่ห น, นึ่งหชั่วโมงห้าชั่วโมงเนไงกายกรรมวิจีกรรมไม่เคยสังวรไม่เคยระมัดระวางังมันก็เลยรั่วไหลออกไปนะไม่เป็นอย่างนั้น เนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีหลักไว้เราเราเข้ามาปฏิบัติธรรมก็คือเราหาหลักหนึ่งหลักกรรมหลักธรรมหลักจิตอนข้อรายละเอียดที่เขาเรียกว่าสติปัญญาเนี่เกิดขึ้นจากการที่เราดูหลักันั้นขึ้นดูอารมณ์ย่อมรู้จักอารมณ์ใช่ไหมละ่ะดูธรรมย่อมรู้จักธรรมดูจิตย่อมรู้จักจิตนี่เขาเรียกว่ารายละเอียดของสติปัญญาของมีภายใน เพราะว่าวิญญาณของเรามีอยู่แล้วสื่อสารที่จะทําให้เกิดเป็นการรู้สาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเกิดเป็นธรรมารมนี่ก็เรียกว่าดีใจเสียใจเนี่ยธรรมารมตัวนี้เนี่ยเขาแปลว่าดีใจและเสียใจหรือหรือยังพอใจไม่พอใจก็คือจิตนั่นเองถ้ามีสื่อสารเรื่องนาฏติปัญญาอยู่ภายในแล้วนั่นก็เรียกว่าบุคคลที่ ให้วิชาเราก็เป็นผู้ศึกษาวิชาให้แตกฉานเช่นอารมณ์เขาเป็นผลให้วิชาจิตแล้วก็ต้องพิจารณาถึงอารมณ์ที่โลกเขาให้มันก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นทำก็เหมือนกันแหละทำเขาให้จิตจิตก็ต้องสอนสองศึกษาเรื่องราวของของธรรมก็จะมีเหตุผลขึ้น แต่นี้ทำอะไรนี่ทำให้มีหลักมีอ่ามีหลักมีมีแนวอย่างเนี้ยมันก็เกิดเป็นลำบากลำบากในัะนนดับปกครองตัวเองเนีไงเระเนี่ยในระดับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหลักอะไรก็อยู่อย่างเนี้ยมันก็อยู่ในวงเขตที่เรียกว่าอยู่ในหูในตามีอะไรผิดพลาดไปเขาก็ตักเตือนเขาบอแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ ตอนีเมื่อเราไม่อยู่ในวงเขตแห่งการปกครองแล้ว เ, เราจะต้องปกครองตัวเองเนี่ยท่านได้าว่าเราไม่มีหลักไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็จะล้มเหลวขึ้นเขาเรียกว่าปกครองตัวเองไม่ได้มันก็มาเป็นที่อิบ อ, อกอิบใจกับตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความเข้าใจชีวิตของเราให้ดีๆเรื่องการปฏิบัติธรรมเราจะต้องเดินไปหาโลกอีก เราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ถอยหลังออกจากโลกกันมานะเข้ามานั่งที่นี่เข้ามาศึกษาที่นี่เหมือนก็มาศึกษาคนไกลหรือความเป็นไปของโลกของธรรมแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปหาเขาเมื่อไปหาเขาเนี่ยมันต้องมีท่ามีทีมีหลักเดินเข้าไปเดินไปแล้วไม่มีหลักมันก็จะล้มเหลวขึ้นเหมือนเราเราบวชเข้ามาไม่มีหลัก เ, เขาเรียกว่าไม่มีหลักธรรมในจิตเนี่ยมันก็จะล้มเหลว ก็เหมือนอย่างเราเห็นบุคคลที่ล้มเหลวในทางศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปบวชมาแล้วก็ไม่คอยปฏิบัติทรรไม่คอยจะเอาเอาเนื้อเอาใจละไปทำอะไรที่พุทธอคอไม่เคยทำเลยไม่เคยสอนเลยถึงก็เริ่อหมวดพระเวทอย่างเงี้ยศิศาสตร์มายาศาสตร์คุณศาสตร์ไปเล่นพรกษาไอไอไอพวกหมวดพระเวทหน่อยนึ่งกึ่งร่างของขังกาตุลพายันหมอดูให้หวย เราทำอะไรต่ออะไรที่มันไม่ใชเรื่องชัยเล้าใช่ไหมมันมันจ่ายเป็นการที่เรียกว่าชีวิตล้มเหลวบวชมาตั้งร้อยปีมันน่าจะขึ้นสวนรรค์ได้บารมีตั้งเยอะแต่ทําไมตกมาโลกไ ป, ไปเป็นที่คือให้เดือนกันล่ะหลวงพ่อพร ะ, พระองค์ทรงนั่งเคยเดินไม่เคยเดินไม่เคยนั่งเคยเดินเลยพระพุทองค์ก็บอกให้ละให้ใ ห, ให้ให้ทําจิตให้ดีๆให้รู้จักระวางอารมณ์นะะ ม, มันเสะสมคุณธรรมไม่เอา ไปนั่งเป่านั่งเตะนั่งนั่งขุดนั่งไหวแล้วอยู่ตรงไหนร้อยปีมันเป็นทึ้งเดือน่ะเป็นที่เดือนที่เกระอืไปเราจะเห็นว่านักบวชต่างๆที่ล้มเหลวในเรื่องของศาสนาก็มีเยอะบางทีบวชมาแล้วก็สร้างโอสสร้างนี่แม้เอาหวังเ อ, อสร้างอ น, นตอนนี้จะได้ขึ้นสวรรค์นิพพานนะอาศัยพาชนะวัตถุขึ้นนิพพานขึ้นสวรรค์ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชเลย หาหน้าที่จะขึ้นสวรรค์เขาก็คือปัจจัยสี่ของญาติโ ย, โยโมของโนโ่นแต่ว่าพระไปเอาซะเองคือนักบวชไปเอาซะเองเนี่ยมานั่งก่อนโ น, โน่นสรางนี้สรางนี้สรานันออกเลี่ยไรกันอะไรต่ออะไรอ้ยแต่ละพัดเห็นไหมแล้วก็มานั่งภูมิใจโอ้โแล้วนี่เราได้ขึ้นสวรรค์แน่บวชมาทั้งนี้นะสร้างนั้นสรางนี้ไว้เทียบเลยอไอย่ี้คิดเ่าวัตถกเป็นประธานเลย ผิดหวังเลยพอถึงตอนนั้นผิดเลยบรรพชาเขาเขียนว่าพิสุกอบรับนพชาเขามาดูรอยพิสุกอบรับนพชาไม่มีเลยพิสุกอบรับนพชาไม่มีพิสุกอจะมาเดินมานั่งมาลดละในสายข้อนี้เลย